กรณีหลวงพ่อปราโมทตอนที่สองขอคุยต่ออีกฉบับหนึ่งนะครับเกี่ยวกับกรณีหลวงพ่อปราโมทเพราะกาลังเป็นที่สนใจในวงกว้างขณะ น, นี้และเช่นเคยครับขอเกี่ยนในลักษณะถามตอบเป็นประเด็นประเด็นเนื่องจากเนื้อหามีความยืดยาวหาไม่แจกแจงตามข้อสงสัยในใจก็อาจต้องอ่านต่อเนื่องแบบหลวงประเด็นได้ถาม สไตล์ที่หลวงพ่อปราโมท ส, สอนจัดเป็นการสอนในแบบของพุทธหรือไม่หลายคนกล่าวว่าการทักจิตดักจิตของหลวงพ่อปราโมทเป็นการทําให้หลงงมงายในตัวท่านและไม่ใช่วิธีการอันพึงปฏิบัติในขอบเขตของพุทธเพราะไม่เคยเห็นครูบาอาจารย์ท่านใดทํากันข้อเท็จจริงก็คือครูบาอาจารย์พระป่าท่านช่วยรู้สิทธิลูกหาด้วยวิธีทํานองเดียวกันเป็นปกติ เอาจากตัวผมเองเป็นพยานยืนยันเคยมีครูบาอาจารย์พระป่าหลายรูปเมตตาบอกให้ลัดลัดตรงตรงบางทีก็พูดชัดชัดว่าทำงั้นใช้ได้ทำนี้ยังไม่ใช่หรือบางทีก็อาศัยภาษากายวันไหนเราทำตัวดีท่านก็ยิ้มแย้มพูดจาต้อนรับเอ็นดูวันไหนเรามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมก็เบือนหน้าใสโดยไม่ต้องสอบสวนให้เราสังเกตจากปฏิกิริยาอาการของท่าน ล้วไปสำรวจตนเองเอาตามปัญญาที่สำคัญแม้ปัจจุบันก็มีหลายสำนักสอนแบบเดียวกับหลวงพ่อปราโมทอย่างไม่เป็นทางการคือไม่เปิดให้คนทั่วไปเข้าร่วมเว้นแต่จะมีคนวงในที่รู้จักเป็นผู้ชักชวนเข้ามาสิ่งที่หลวงพ่อปราโมททำมีข้อต่างที่สำคัญนั่นคือการสอนวงกว้างเป็นปกติแบบเปิดเผยต่อสาธารณะว่าท่านช่วยสอนให้แบบนี้ก็ได้ ถ้าใครปฏิบัติจริงก็สามารถรับฟังว่าดีขึ้นแย่ลงตรงทางผิดทางและที่ท่านมักใช้คำง่ายๆไม่ค่อยลงรายละเอียดก็เพราะเวลาสำหรับเจาะเป็นคนๆมีไม่มากนักการจารณัยรายละเอียดให้แต่ละคนนั้นกินเวลาไม่ต่ำกว่า5นาทีหรือให้ดีต้องเกิน10นาทีขึ้นไปลองคำนวณจากกลุ่มคนที่ไปให้ท่านสอนในแต่ละวันตีเสื้อ ว, ว่าวันละ50ถ้าจี้กันครบทุกคน ก็250ถึง500นาทีไม่มีทางที่ใครจะทำให้ครบได้ไหวทุกวันแต่รูปแบบถามตอบให้ได้ยินโดยทั่วกันก็มีส่วนช่วยลดข้อจำกัดเรื่องเวลาลงไปได้เพราะเมื่อได้ยินปัญหาและคำไขจากกรณีของคนอื่นก็มีสิทธิตรงกับปัญหาเฉพาะตนเมื่อได้คำตอบแล้วจึงไม่จำเป็นต้องรอยถึงตาตนอีกเรียกว่าเป็นการอาศัยมวลชนเป็นเครื่องกระทบช่วยให้เข้าใจมาถึงปัญหาของตน ไม่ใช่อาศัยมวลชนเป็นเครื่องกล่อมไม่คล้อยตามกันย้อนมาถึงตัวข้อสงสัยที่ว่านี่เป็นพุทธหรือเปล่าก็ขอให้ดูจากพระวินัยปิฎกเล่มหนึ่งมหาวิพังภาคหนึ่งที่มีอยู่ครั้งหนึ่งพระสารีบุตรเข้าที่สงัดแล้วเล็งดูด้วยญาณเกิดความสงสัยว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมามากมายหลายพระองค์แต่พระพุทธศาสนาของแต่ละพระองค์ก็มีอายุไม่เท่ากัน บางก็ตั้งอยู่ได้นานบางก็ตั้งอยู่ได้เดียวเดียวพอมีโอกาสพระสารีบุตรเลยทูลถามพระพุทธเจ้าว่าเหตุอันใดทําให้พระพุทธศาสนาตั้งอยู่นานบ้างไม่นานบ้างพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดูก่อนสารีบุตรพระศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระนามวิปัสสีพระนามสิกขีและพระนามเวสภูไม่ดํารงอยู่นานเพราะเหล่าท่านทรงทอพระอหฤทัย ที่จะแสดงธรรมโดยพิสดารแก่สาวกทั้งหลายบรรดาธรรมต่างๆที่สาวกจะอาศัยท่องจําสืบต่อมีอยู่น้อยอีกทั้งกฎกติกาวินัยสงฆ์ต่างๆก็ไม่มีเมื่อพระพุทธเจ้าและเหล่าสาวกดั้งเดิมอันตรทานไปพระพุทธศาสนาของพระองค์ท่านเหล่านั้นจึงพลอยอันตรธานตามไปด้วยในฉพลันทันทีถามว่าพระองค์ท่านเหล่านั้นสอนพระสาวกอย่างไรพระพุทธเจ้าพระนามว่าเวสภู ทรงกำหนดจิตภิกษุสงฆ์ด้วยพระอรฤธัยและทรงสอนภิกษุสงฆ์ประมาณพันรูปในป่าอันน่ากลัวสำหรับมนุษย์แห่งหนึ่งโดยตรัสสั่งว่าพวกเธอจงตรึกอย่างนี้อย่าได้ตรึกอย่างนั้นจงทำในใจอย่างนี้อย่าได้ทำในใจอย่างนั้นจงละส่วนนี้จงเข้าถึงส่วนนั้นอยู่เถิดทำเช่นนี้อยู่ไม่นานจิตของภิกษุประมาณพันรูปนั้นก็ได้หลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่น สรุปคือวิธีการสอนแบบทักจิตดักจิตนี้พระพุทธเจ้าในอดีตเคยทรงธรร ม, มาก่อนและปัจจุบันก็ยังมีครูบาอาจารย์ทางพุทธมากมายถือปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลลูกศิษย์กันอยู่เป็นความสามารถประกอบกับความเต็มใจเหนื่อยของแต่ละท่านจะไปหาว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตของพุทธศาสนาคงไม่ได้แน่นอนว่าถ้าหลวงพ่อปราโมทเป็นต้นลัทธิใหม่และสอนแบบดักจิตกันอย่างเดียวลัทธินี้คงอยู่ไม่ได้นาน แต่นี้ท่านประกาศตนเป็นสาวกของพระพุทธองค์ย่อยเรื่องยากจากพระไตรปิฎกให้กลายเป็นเรื่องง่ายทั้งผ่านคำพูดและหนังสือมากมายจึงต้องว่าท่านเป็นคนจักหนึ่งที่กำลังช่วยยืดอายุพระาศาสนากระทาตนเป็นคนร่วมสมัยที่ยกระดับความเข้าใจของคนยุคเดียวกันให้ลอยขึ้นพ้นความเชื่อแบบเดิมๆว่ า, าศาสนามีไว้ขึ้นหิ่งก็พอ ถ้าแนวที่หลวงพ่อปราโมทสอนเป็นพุทธที่ถูกต้องเหตุใดช่วงหลังจึงมีการประคมข่าวว่าผิดและก็ได้ยินว่าพระมีชื่อเสียงเริ่มออกมาร่วมเคลื่อนไหวด้วยกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวแบบจะสึกพระให้ได้นั้นหลายคนเคยอยู่ใกล้ชิดหลวงพ่อปราโมทมาก่อนนอกจากจะตั้งคำถามว่าทาไมถึงต้องจากมาก็ควรตั้งคาถามเพิ่มด้วยว่า ทำไมเพิ่งมาเอาผิดกับท่านทั้งที่เคยขอให้ท่านช่วยเหลือในแบบเดียวกันกับทั้งพระมีชื่อเสียงที่เพิ่งได้ยินกันว่ามามีส่วนร่วมก็เคยนิมนต์หลวงพ่อปราโมทไปเทศในสถานที่ของท่านมาก่อนด้วยหลายกรณีนะครับคำถามมีความสาคัญกว่าคาตอบเพราะจนตายเราอาจไม่รู้คำตอบที่แท้จริงแต่ถ้าตั้งคาถามถูกเราอาจได้ข้อสังเกตที่ทาให้ตาสว่างเดี๋ยวนี้เลยถ้าผิดจริง ทำไมจึงเป็นคุณมากกว่าโทษสิ่งที่หลวงพ่อปราโมททำไม่ใช่ขายยานวิเศษไม่ใช่การขายความถูกต้องแม่นยำแบบหมอดูแต่เป็นการสอนเจริญสติตามแนววิธีที่ท่านถนัดถ้าหากเห็นว่าผิดไม่ดีไม่ถูกแล้วเหตุใดจึงปล่อยให้ท่านสอนอยู่หลายปีคำตอบในใจของผมซึ่งไม่ใช่คำตอบอันเป็นที่สุด อาจมีความผิดพลาดได้ประสาะมนุษย์ธรรมดาเดินดินคือทั้งหลายทั้งปวงเป็นเรื่องของมุมมองว่าถูกเซตไว้อย่างไรเมื่อเซตไว้ให้เล็งเห็นประโยชน์ทุกคนก็พร้อมใจเห็นว่าเป็นเรื่องดีงามแต่วันหนึ่งเมื่อถูกชี้นำจากบุคคลที่น่าเชื่อถือบางท่านให้เล็งเข้าไปเห็นโทษจากการสอนของหลวงพ่อปราโมทเช่นสอนแล้วลูกศิษย์อ่อนแอสอนแล้วไม่มีทางได้มากผล สอนแบบนี้ไม่ใช่เยี่ยงอย่างแบบพุทธอันควรสอนแบบนี้เป็นการอวดอุตริมนุสธรรมผิดวินัยร้ายแรงสอนแบบนี้เป็นไปไม่ได้ต้องใช้วิธีหลอกลวงให้หลงเชื่อและอื่นๆหลายคนก็เอียงเอนไปเห็นว่าเป็นเรื่องน่ารังเกียจไปโลกตั้งอยู่อย่างนี้ใครเห็นอย่างไรเอาไปพูดกันอย่างไรขึ้นอยู่กับถูกครอบด้วยมุมมองแบบไหนจริงๆ แล้วก็ต้องถามกลับอีกด้วยว่าเพราะเหตุใดคนส่วนใหญ่จึงไม่เกิดความรู้สึกร่วมว่าหลวงพ่อปราโมทสอนผิดสอนไม่ดีเพราะถ้าเกินกว่าครึ่งหนึ่งเห็นว่าไม่ดียอมต้องเรียกว่าเป็นโลกะวัชชะหรือพฤติกรรมของพระที่ชาวโลกติเตียนที่คนส่วนใหญ่ไม่รับรู้ไม่มีความรู้สึกร่วมไปด้วยกับข้อกล่าวหาก็เพราะหลวงพ่อปราโมทไม่ได้เน้นโฆษณาว่าอาตมามีดีนะ อาตมารู้ใจคนนะมหาอาตมานะอาตมาพยากรณ์มรกผลได้นะจะมีก็แต่เห็นหรือได้ยินท่านพูดตรงไปตรงมาเกี่ยวกับคนที่กําลังได้รับการสอนว่าเพ่งไม่เพ่งเผลอไม่เผลอรู้ดีแล้วยังรู้ไม่ค่อยดีซึ่งเจ้าตัวย่อมทราบแก่ใจว่าตรงหรือไม่ตรงเวลาผู้คนบอกต่อกันถึงความสามารถของหลวงพ่อปราโมชจึงบอกว่านี่ หลวงพ่อร่วมนี้สอนดีนะเป็นทุกข์อยู่แล้วหายทุกข์ได้ท่านสอนให้ดูใจตัวเองง่ายๆไม่ต้องลงทุนอะไรเลยคนเมืองที่ทำมาหากินก็พอเอาดีทางนี้ไหวแค่ข้อใจก็ทำได้ด้วยตนเองพึ่งตนเองได้ไม่จำเป็นเสมอไปว่าต้องไปให้หลวงพ่อตรวจกันบ้านคารวะซึ่งเป็นคนเมืองนั้นไม่ได้คาดหวังอะไรจากพระมากหรอกครับแค่อยากเจออะไรเย็นเย็น แค่อยากหายร้อนจากความทุกข์ทางใจที่เป็นอยู่แต่นี้ได้เกินคาดท่านพาไปเจอสูตรสำเร็จดับทุกข์สิ้นเชิงของพระพุทธเจ้าได้ด้วยโดยไม่ต้องเสียสตางค์แม้แต่บาทเดียวเกินกว่า 90% เอร์เซนของลูกศิษย์ใหม่ไม่รู้เรื่องอริยะบุคคลและมักผลด้วยซ้ำการประโคมกล่าวโทษท่านเรื่องอวดอุตริมนุสธรรมจึงสร้างแนวร่วมไม่สาเร็จและผู้กล่าวโทษเอง ก็อาจต้องตอบคำถามไปอีกนานว่าท่านอวดอุตริตรงไหนฟังซีดีกี่แผ่นก็ไม่เห็นรู้สึกอย่างนั้นเลยสรุปคือถ้ากลุ่มโจมตีท่านจะเอาโทษผิดประราชิกข้อหาอวดอุตริมนุษธรรมก็จำเป็นต้องหาหลักฐานที่ชัดเจนมามัดตัวจะให้ดีคือรวมเอาคนเรือนหมืน่นเรือนแสนที่ท่านสอนมาช่วยกันประจานว่าสิ่งที่ท่านชี้ให้ดูเรื่องจิต เรื่องความอึดอัดเรื่องความปลอดโปรง่งมันไม่เป็นความจริงเป็นเรื่องหลอกลวงล้วนล้วนนอกจากนั้นควรจะต้องทำลายหลักฐานสำคัญคือดวงจิตที่สว่างไสวของชาวพุทธจำนวนนับไม่ถ้วนให้หมดไม่ใช่เทข้อมูลฝ่ายโจมตีหมดหน้าตักด้วยคำกล่าวซ้ำาๆว่าท่านอวดอุตริมนุษยธรรมผิดวินัยร้ายแรงดังที่เคยเป็นมาและเป็นอยู่